ครั้งที่หลวงปู่สุภากันตะสีโลอยู่ปฏิบัติศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่สีทั์ที่ถ้ำภูเขาควายประเทศลาวเข้าปีที่ห้านะคะหลวงปู่สีทั์ได้ให้ท่านออกทุดงระยะแรกก็ให้มีเพื่อนไปด้วยสองถึงสามรูปชื่อพระสิมค่ะหลวงพ่อสังแล้วก็สามเณรพรรวมเป็นสี่รูป โดยเริ่มออกทุดงจากถ้ำภูเขาควายขึ้นไปทางผาต้อหน่อกำอําเภอเซโปนจังหวัดเซโปนแขวงคำม่วนประเทศลาวนะคะเป็นที่ที่หลวงปู่ศรีทั์สั่งให้ท่านไปเพื่อทดสอบสมาธิแล้วก็อุปนิสยัยเมื่อเดินทุดงไปถึงผาต้อหน่อคำาจ้บ้านเล่า ว, ว่าพวกฝรั่งเศสเอาปืนยิงหน่อกคำค่ะเป็นยอดแหลมลงมาสักสีห้าวาให้หลุดลง แต่ว่าพวกฝรั่งเศสทำไม่สำเร็จเพราะว่าโดนผีกองกอยกินตับหมดเลยจึงไม่มีใครสามารถเอาหน่อคำหรือว่าทองคำเนี่ยไปได้นะคะที่ผาต้อหน่อคำมีผีกองกอยปกปักรักษาอยู่เมื่อหลวงปู่สุภาแล้วก็คณะทุดงเดินทางมาถึงก็ได้ปักกลดเรียงกัน ท่านจำได้ถึงคำสั่งของหลวงปู่ศรีทัตว่าให้ระวังแม้ว่าเราจะมีศีลแม้ว่าเราจะมีธรรมก็ควรที่จะเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเตือนไว้ว่าในถิ่นนั้นมีผีกองกอยอยู่ชุกชุมหากหลวงท่อสั่งลืมคำสั่งสอนของหลวงปู่ศรีทั์ที่ว่า 1. ไม่ให้ตากผ้าทับพุ่มไม้ต่างๆ สถ้าไปเอาฟืนต้มน้าอย่าลากมาให้แบกหรือหอบมาถ้าขืนลากเมื่อถูกผีป่าเราจะป้องกันไม่ได้เพราะว่าเราทำผิดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรหรือว่าเป็นโยมเป็นใครๆทั้งหมดเลยย่อมทำผิดได้นะคะเมื่อทำผิดแล้วอะไรเกิดไม่มีใครแก้ไขได้หลวงพ่อสังเกิดลืมนำมีดติดตัวไปด้วยค่ะก็เลยต้องลากไม้มาทาให้หลวงพ่อสังต้องมรณภาพที่นั่น พอตกกลางคืนตอนดึกนะคะก็ได้ยินเสียงร้องของผีกองกอยมันจะร้องว่ากงกอยกงกอยแบบนี้นะคะคือถ้าเราทำผิดไปลากฟืนมามันก็จะออกมาแล้วก็ร้องกงกอยกงกอยกอกนะคะไม่มีคนใดก็คนหนึ่งล่ะค่ะจะต้องมีอันเป็นไปพอตกดึกมากๆค่ะก็จะมีเสียงร้องครางดังอุ้ยทีเดียวเท่านั้นพอเปิดไปดูมีพจน์ไม้ปิดวารเจ้าผีกงกอยล้วงไปกินตับเรียบร้อย เมื่อหลวงพ่อสังมรณาภาพพระสิมสัมมาเนรพรก็ได้ลงมาหาชาวบ้านให้ช่วยกันหามศพหลวงพ่อสังไปเผาสัมมะเนนพรพระสิมก็เกิดความกลัวค่ะจึงได้ลาหลวงปู่สุภากลับไปยังถ้ำภูเขาควายเมื่อหลวงพ่อสีทัดถามว่าทำไมไม่กลับมาพร้อมกันหมดกับหลวงปู่สุภาละ่ะ พระสิมแล้วก็สา ม, มนเณรพรที่ลากลับก่อนนะคะก็ได้ตอบคำถามกับหลวงปู่สรีทาต์ค่ะบอกว่าหลวงพ่อสังไปลากฟืนก็เลยถูกผีกองกอยจกตับไปกินหลวงปู่สรีทาต์ถามต่อไปค่ะว่าทำไมปล่อยให้ลูกสุภาอยู่องค์เดียวทั้งสองก็เลยตอบหลวงปูส่สรีธาตุบอกว่าหลวงพ่อสุธาท่านไม่กลับท่านมุ่งจะทุดงตามลาพัง หลวงปู่ศรีทั์ก็เลยให้ญาติโยมไปตามค่ะซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สุภาอายุได้เพียง33ปีแล้วก็บวชมาได้13พรรษาญาติโยมก็ไปตามค่ะบอกว่าหลวงปู่ศรีทั์ให้มารับกลับแต่ว่าท่านไม่ยอมกลับนะคะเนื่องจากได้นั่งพินิษ์พิจารณานะคะว่าเราก็ได้ตั้งสัจจะอธิฐานไว้แล้วว่าจะออกทุดงสักสองเดือนไว้เมื่อครบ2เดือนแล้วเราจะรีบกลับ ตกลงหลวงปู่สุภาก็ไม่กลับนะคะญาติโยมก็เลยกลับไปที่ถ้ำภูเขาควายกราบเรียนหลวงปู่สีทัศน์แล้วก็บอกว่าหลวงปู่สุภาเนี่ยท่านจะเดินธุดงค์ต่อไปเพียงแค่องเดียวแล้วก็ได้เดินย้อนกลับลงมาหลงป่าอยู่นานถึง15วันค่ะไม่ได้ฉันจังหันเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งได้พบกับช้างพลายมานำทางแล้วก็มาส่งที่ชายป่า หลวงปู่สุภานะคะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะว่าหน่อคคาหรือว่าที่ทางฝั่งลาวเขาเรียกว่าทองคําที่ผาตอเป็นทองคําแท่งย้อยลงมาจากหน้าผาของเขาลูกนั้นค่ะก็งอกขึ้นตามธรรมชาติจึงเรียกว่าผาตอหน่อคคาก็หมายถึงทองคํางอกย้อยออกมาบนภูเขาเป็นหนอ่หนอมที่ชันแล้วก็เป็นหน้าผาจโงนออกไปข้างบนหน้าผาเต็มไปด้วยหนอ่อมคาแต่ว่าไม่มีใครขึ้นไปถึงนะคะ ลูกศิษย์ก็เลยกระดาบเรียนถามท่านนะคะว่ารูปร่างของผีกองกอยเป็นอย่างไรท่านก็เลยอธิบายบอกว่าผีกงกอยเนี่ยมีรูปร่างสูงเพียงแค่คืบเดียวเป็นเพศหญิงจะไม่มีเพศชายแต่ว่ามีพละกาลังมากมายเลยใครอยากเห็นผีกงกอยให้เดินด้วยส้นเท้าแต่ถ้าใครไม่อยากพบผีให้เดินขยิ่งปลายเท้า ปกติผีกองกอยเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีน้ำซับไหลลงมาค่ะผีพวกนี้กินปูกินหอยเป็นอาหารตาเนื้อของคนเราสามารถมองเห็นผีกองกอยได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตาทิพเวลาที่ผีกองกอยจกตับไปกินเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวมันแต่ว่าจะได้ยินเสียงมันแต่ถ้าเมื่อไรได้ยินมันร้องว่ากองกอยก็กองกอยก็ ok ok ะคะแสดงว่ามันจกตับไปกินเรียบร้อยละ ผีจำพวกนี้ไม่กินอย่างอื่นนะคะนอกจากจะกินเฉพาะตับเท่านั้นคนทางภาคอีสานจึงมักจะใช้เรื่องผีกองกอยมาข่มขู่เด็กๆอยู่ทุกวันนี้ท่านก็เล่าว่าผีกองกอยก็ยังมีอยู่ค่ะแม้กระทั่งหน่อคําบนหน้าผานั้นก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นไปเอาหน่อคํานั้นลงมาได้ ถ้าจะกล่าวเรื่องผีปอบเป็นเรื่องงมงายซะทีเดียวก็คงจะกล่าวแบบฟันธงแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพระเกจิอาจารย์หลายท่านค่ะก็เคยได้กล่าวถึงเรื่องผีปอบไว้เช่นกันวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเรื่องของหลวงปู่ดูวัดสแก่เจอวิชาไสยเวทผีปอบนะคะหลวงปู่ดูวัดสแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านได้เคยเล่าให้ลูกศิษย์ไว้นะคะว่าเมื่อสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆได้มีชายวัยกลางคน มาจากฝั่งประเทศลาวแล้วก็ได้มาขอพักในวัดที่หลวงปู่ดู่จำพรรษาอยู่แล้วก็พูดจาแปลกๆนะคะบอกว่าหลวงพ่อสนใจวิชาไสยเวทเป็นทุนอยู่แล้วด้วยกระผมต้องหาผู้สืบทอดวิชาต่อจากกระผมกระผมพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเท่านั้นที่จะสืบสายวิชาของกระผมได้วิชานี้เรียกว่าบิดไส้บังฟัน ชายไวกลางคนนั้นได้กล่าวว่าการสืบทอดวิชานี้เป็นการสืบทอดที่ไม่ยากนะคะขอเพียงแค่หลวงพ่อเนี่ยรับกรวยดอกไม้แล้วก็ตําราเก่าเล่มนี้ไปบูชาแล้วก็ทําการศึกษาตามหลวงพ่อก็จะสําเร็จวิชาในตําราเล่มนี้หลวงปู่ดูท่านจึงรับกรวยดอกไม้แล้วก็ตําราเก่าที่หยิบจากย่ามชายวัยกลางคนนั้นไว้ค่ะ หลวงปู่ดูท่านเล่าต่อไปบอกว่าช่วงกลางคืนที่จำวัดเนี่ยมักจะฝันอะไรแปลกๆเช่นฝันว่าตัวเองเดินออกจากวัดไปกินไก่บ้านโน้นทีไปกินวัวเป็นๆบ้านนั้นที แล้วก็แปลกกว่านั้นนะคะก็คือพอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเพลียเหมือนตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้นอนแล้วก็แปลกเข้าไปอีกตรงที่ว่าถ้าหลวงปู่ฝันไปว่าไปกินไก่หรือกินวัวบ้านใดพอตื่นขึ้นมาชาวบ้านมักจะบอกเสมอนะคะบอกว่าบ้านนั้นไก่ตายบ้างละบ้านนี้วัวตายบ้างละหลวงปู่ก็เลยพิจารณาแล้วเห็นว่าโอ้ไม่เข้าท่าคงจะมีเหตุจากกลวยดอกไม้แล้วก็ตาราเล่มเก่าเล่มนั้นแน่แน หลวงปู่เนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจให้ศีดวัดจุดไฟหน้ากุฏิและนําตําราเล่มเก่าเล่มนั้นพร้อมกับกล้วยดอกไม้เผาในกองไฟแต่ที่แปลกนะคะคือชายหนุ่มวัยกลางคนคนนั้นค่ะได้เดินเข้ามาหาหลวงปู่พร้อมกับมองหลวงปู่ด้วยความโกรธแค้นแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้เดินหันหลังออกจากวัดไปทันทีนับตั้งแต่นั้นนะคะหลวงปู่ก็บอกว่าไม่เคยฝันอะไรแปลกๆอีกเลย อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะหรือว่ า, าพระราชพรมยานค่ะก็สมัยที่หลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดบางโคโนมอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าท่านเคยเจอผีปอบนะคะคราวนั้นหลวงพ่อไปเรือยนต์ขนาดเล็กไปจอดนอนพักที่ท่าลานเพื่อไปสืบราคาค่าเหล็กค่าปูนว่าราคาเท่าไหร่พอไปจอดเนี่ยมันก็จะมีคนมาทําบุญ ตอนกลางคืนเวลาประมาณตีสองตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกว่าเห็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่งตัวไม่ค่อยดีหรอกวิ่งมายืนอยู่ที่หน้าตะลิงแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่บนหลังคาเรือยนต์พร้อมกับกวักมือบอกว่ามึงเก่งจริงมึงมาสิวะผลก็คือพวกที่วิ่งมาหน้าตะลิงนั้นมองเห็นคนบนหลังคาเรือเข้าจึงวิ่งหนีไปหมดเลยหลวงพ่อท่านก็เลยบอกได้ถามคนบนหลังคาเรือนี้ว่าเป็นใครให้ลงมาคุยกันหน่อย คนบนหลังคาเรืองจึงลงมาแล้วก็บอกว่าชื่อพรสวรรค์แล้วก็พวกที่วิ่งมาที่ตะลิ่งนั้นเนี่ยเป็นพวกผีปอบตอนเช้าหลวงพ่อก็เลยถามคนแถวนั้นนะคะบอกว่าที่นี่มีปอบไหมชาวบ้านก็เลยบอกวูที่นี่มีปอบเยอะมากเลยผีปอบก็มีเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เองแล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวอีกนะคะบอกว่าผ้ายันแดงคือผ้ายันมหาพิชัยสงครามใช้และปอบนี้หมด หลวงพ่อเคยใช้มาแล้วแล้วก็ให้ขอบารมีที่ท่านพรสวรรค์อยู่บนพระนิพพานแล้วให้ท่านช่วยสงเคราะห์เพราะว่าท่านปราบผีเก่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงแค่ตำนานคร่าวๆ ค, ค่ะเกี่ยวกับผีปอบที่สังคมไทยยังคงมีความเชื่อกันอยู่ในเรื่องข้อคิดก็คงจะคิดได้นะคะว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงหลีกหนีแล้วก็ควรที่จะหันหน้าเข้ามาทำการศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ พระครูคำภีภาวนาจารย์หรือหลวงปู่ลือบุญโยแห่งวัดป่านาธรรมวนาวาดอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงอภินญาเคร่งกรรมฐานสืบสายธรรมหลวงปู่เสากันตะศีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์พระป่าท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่ขาวอนารโยพระอาจารย์จวนกุลล เทศโถแล้วก็พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพร้อมกับพระอาจารย์ชาสุพัฒโถด้วยนะคะหลวงปู่ลือถือกำเนิดในตระกูลใจทั์เมื่อวันศุกร์ที่24กันยายน2466อยู่ที่บ้านไร่ตําบลป่าไร่อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะเมื่ออายุ18ปีก็ได้บรรพชาร่ำเรียนวิชาภาษาบาลีเมื่อปีพุทธศักราช2488 ขณะนั้นอายุ22ปีก็ได้อุปสมบทแล้วก็ได้ยติเป็นภิกษุฝ่ายธรรมยุตมีหลวงพ่อดีแห่งวัดศิลามงคลเป็นผู้สอนกรรมฐานให้ท่านเป็นรูปแรกนะคะหลังจากบวชได้ทุดงมากราบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่มาพักจำพรรษาอย่างวัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็ขอปวารณาตัวเป็นสิทธิ์ด้วยค่ะ หลวงปู่ลือเป็นผู้อย่างรู้ในอนาคตได้ล่วงหน้ากรณีเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารหม่งโลกที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่27 เมษายน2523ครั้งนั้นก็มีพระเกจิกรรมฐานนะคะรับนิมนต์ไปร่วมพิธีที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมโดยสารไปทั้งหมด5รูปได้แก่พระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันพระอาจารย์สิงห์ทองแล้วก็พระอาจารย์บุญมาพร้อมกับพระอาจารย์สุพัฒนค่ะมรณภาพทั้งหมดเจ้าภาพได้นิมนต์หลวงปู่ลือแต่ว่าท่านไม่รับหลังนิมิตเห็นไฟไหม้ทางเครื่องบินลาดังกล่าว ในครั้งนั้นหลวงปู่ลือบอกนะคะ บ, บอกว่าพระอาจารย์ทั้ง5้ารูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนั้นแต่ละท่านเนี่ยคือท่านรู้เหตุการณ์เป็นอย่างดีแต่ก็ยินยอมให้เป็นไปตามอัตตาวินิบากกรรมของตัวท่านเองจิตของพวกท่านนั้นฝึกฝนกันมาอย่างดีแล้วจะได้รับเพียงแค่ทุกขเวทนาทางร่างกายเท่านั้นเพราะว่าจิตกับกายนั้นได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแตกดับไปก็เป็นเฉพาะเพียงแค่รูปขันท์ทั้ง5้าเท่านั้น การบรณภาพของพระเทระทั้งห้ารูปนั้นค่ะเป็นการบรรณภาพที่ถึงคราวที่ท่านจะต้องละสังขารแล้วคือหมดอายุไขแต่เพียงเท่านี้ แต่เนื่องด้วยวิบากกรรมที่ท่านทั้งห้ารูปได้กระทํามาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงต้องทําให้มรณภาพด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ตามโดยเฉพาะการเสียชีวิตอย่างฉับพลันเช่นอุบัติเหตุต่างๆย่อมมีทั้งกรณีของคนที่ถึงอายุไขแล้วจริงๆกับกรณีกรรมเก่ามาตัดรอน การกำหนดสติรู้ลึกในทุกสภาวะจิตที่มีลมหายใจเข้าออกดังเช่นครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่มุ่งมั่นฝึกฝนกันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นคาราวาสก็ดีหากปฏิบัติได้เช่นนี้ย่อมบ่งบอกถึงสภาวะจิตสุดท้ายได้อย่างแน่นอนค่ะว่า พบภูมิของจิตที่จะไปถือกำเนิดขึ้นใหม่นั้นมีระดับเทวดาจนถึงระดับพระอริยะทั้งสีประเภทได้แก่พระโสราบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็สูงสุดคือพระอรหันต์ที่พ้นแล้วซึ่งการเกิดแก่เจ็บตายนะคะพระลือผียานค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกกล่าวขานกันซ้ำแล้วซ้าเล่าถึงอิทธิฤทธิปาฏิหารเพียงเพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าหากเมื่อระลึกถึงหลวงปู่ลือครั้งใดให้จดจำสิ่งที่ท่านมุ่งหมายย้ำเตือนบอกแก่สิทธิ์ทุกๆคนว่าอย่าละทิ้งภาวนาเพราะนรกนั้นมันไปได้ง่ายมากชีวประวัติแล้วก็ปฏิปทาหลวงปู่ลือปุญโยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจจิตเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังหมายรวมไปถึงการปฏิบัติให้เห็นอย่างเคร่งครัดตามแนวแห่งธรรม อันเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทสพภพวิชาให้ท่านจนบังเกิดมากผลอภิน ญ, ญาของหลวงปู่ลือก็มีสิทธิานุสิ์ได้ออกร่วมทุดงกับหลวงปู่ลือเนี่ยได้กล่าวถึงอิทธิฤทธอิอภิน ญ, ญาของหลวงปู่นะคะว่าตอนที่เดินทุดงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นระยะทางยาวไกลแต่ว่าหลวงปู่ลือสามารถที่จะไปถึงที่หมายก่อนใครได้ซึ่งลูกศิษย์ทั้ง ทุกๆคนเนี่ยนะคะก็เชื่อค่ะว่าท่านสามารถที่จะย่นระยะทางได้สําหรับปาฏิหาริย์การย่นระยะทางนั้นสันนิษฐานค่ะว่าเป็นบุญบารมีเดิมที่ท่านสั่งสมมาแต่อดีตชาตินะคะที่หลวงปู่เกิดเป็นฤาษีเพราะว่าฤาษีนั้นจะมีความชํานาญในกสินสิโดยอนุภาพของกสินจะทําให้เกิดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากมายอย่างเช่นการย่นระยะทางนี้ สันนิษฐานนะคะว่าเป็นบุญบารมีเดิมที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติหลวงปู่ที่เกิดเป็นฤาษีเพราะว่าฤาษีนั้นจะมีความชำนาญในกสินสิบ โดยอนุภาพของกรสินจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากมายอย่างเช่นการย่นระยะทางครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะคะว่าการย่นระยะทางเป็นการใช้วายโยกสินหรือว่ากสิน ล, ลม mm. เพราะเป็นการกำหนดให้ร่างกายมีความเบาราวกับลมค่ะส่งผลให้สามารถเดินเหินได้อย่างรวดเร็ว ราวกับลอยไปในอากาศได้อย่างไรก็ตามค่ะต้องมีกระสินอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยบางท่านก็บอกว่าต้องใช้กระสินดินร่วมด้วยเพราะว่าต้องย่นยอ่อผืนดินให้สั้นลงจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนะคะ วัตถุมงคลของหลวงปู่ลือเป็นที่ส่อสแสวงหาของบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องแต่ที่โดดเด่นมากก็คือเหรียญหลวงปู่ลือรุ่นแรกในปี2535ค่ะทางวัดได้จัดสร้างเพื่อฉลองอุโบสถแจกจ่ายญาติโยมเป็นที่ระลึกเพียงเพื่อสิริมงคลต่อผู้ที่นําวัตถุมงคลของหลวงปู่ติดตัวไปจํานวนมากนะคะก็ได้ประสบกับอภิเิหารของวัตถุมงคลหลวงปู่หลายครั้งโดยเฉพาะการแคล้วคลาดมหาอุด คงกระพันแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะจึงมีการกล่าวขานกันมาปากต่อปากว่าหลวงปู่ลือเนี่ยไม่มีตายโหงแล้วก็ไม่มีจนตายเย็นให้เผาเช้าตายเช้าให้เผาเย็นเมื่อวันที่16มีนาคม 2,541 ซึ่งตรงกับวันจันทร์แรมสี่ข้าเดือนสี่หลวงปู่ลือก็ได้ลาสังขานอย่างสงบสริอายุได้87ปีพรรษาอยู่ที่65พรรษานะคะ ในวันนั้นภายในวัดชุลมุนกันมากค่ะเพราะไม่คาดคิดว่าหลวงปู่จะจากไปอย่างรวดเร็วทั้งที่ท่านก็หายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนดังเดิมแล้วไม่นานนักบุกคคลที่เกี่ยวข้องกับทางวัดแล้วก็ลูกศิษย์พร้อมกับหน่วยงานราชการตำบลอำเภอก็เดินทางกันมาที่วัดอย่างเนืองแน่นพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่างๆนานาว่าควรจะเก็บสรีระสังขารของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อให้สารุศสิทธ์ทั่วไปมีโอกาสมากราบสักการะ แต่ว่าพระอาจารย์เชื่อมได้กล่าวกับทุกคนค่ะว่าหลวงปู่มีคําสั่งเสียไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งได้บันทึกเสียงของหลวงปู่ไว้ในเครื่องอัดเสียงเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายอันน่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายต่างก็มีความเห็นไม่ตรงกันหลวงปู่ได้กล่าวไว้ในเครื่องอัดเสียงว่าให้เผาทันทีหากท่านมรณภาพและกําชับอย่างเด็ดขาดว่าตายเย็นให้เผาเช้าตายเช้าให้เผาเย็น แต่ถ้าว่าพระอาจารย์เชื่อมได้ทักท้วงกับหลวงปู่นะคะว่าถ้าเผาทันทีจะเป็นที่คอรหาต่อพระลูกวัดและผู้คนทั่วไปได้ท่านก็เลยกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ย่อมจะมีคนติเตียนตายแล้วจะเก็บไว้ทาไมจะหากินกับศพหรอจะเป็นบาปเป็นกรรมสังขารก็เป็นไปตามวัตฏสงสารมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมชาติ เป็นสมมุติสง์ปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่ศพพระพุทธเจ้าจะเก็บเอาไว้ทำไมอย่ามาทะเลาะกันเหมือนสุนัขแย่งของกันกินคนมีปัญญาเขาจะมาหัวเราะย่อเอาอย่าไปเรียอะไรเงินเขาเป็นพระจะเอาเงินไปทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะคะหลวงปู่ก็ได้ขออนุญาตให้ทำพิธีได้ไม่เกิน3วันค่ะ ทุกวันที่16มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบมรณภาพของหลวงปู่ลือปุญโยทางวัดป่านาทามได้จัดให้มีพิธีส่งน้ำอัฐิธาตุของหลวงปู่เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาสการะเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่17แล้วนะคะแต่เดิมบอกกล่าวกันเฉพาะบรรดาศิษย์ใกล้ชิดแต่ว่าปัจจุบันค่ะขยายวงกว้างออกไปทาให้มีประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมกันมากขึ้นทุกปีซึ่งก็ยึดถือป ปฏิบัติเป็นประเพณีนะคะในการกราบไหว้แล้วก็ในการส่งน้ำอัธิธาานของหลวงปู่ที่วัดป่านาธรรมวนาวาดจังหวัดมุกดาหารค่ะ